เภิกษุณีไม่กวาดอารามหนึ่สมัยนั้นภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปจากอาวาสนั้นภิกษุณีทั้งหลายคิดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายจากไปแล้วจึงไม่ไปอารามเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นกลับมาสู่อาวาสนั้นอีกภิกษุณีทั้งหลายรู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายมาแล้วบอกแล้วพากันเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นกราบไหว้แล้วยืนอยู่ในที่สมควร ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นผู้ยืนอยู่ณที่สมควรดังนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายเพราะเหตุไรพวกเธอจึงไม่กวาดอารามไม่ตั้งน้ําฉันน้ํำชายแว่เหล่าภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิทธาบทไว้ว่าภิกษุณีไม่พึงเข้าอารามดังนั้นพวกฉันจึงไม่มาภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกภิกษุณีที่มีอยู่แล้วเข้าอารามได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้